มงกุฎไพรเล่มสี่ตอนที่212บัตรัดนี้ทั้งสองพระองค์ทอดพระเนตรไปยังกลุ่มของเชษฐาที่พากันยืนนิ่งอยู่เมื่อ น, นั้นเชษฐาในฐานะหัวหน้าคณะของฝ่ายไทยก็ก้าออกมากล่าวคำกราบบังคมทูลลาสั้นๆจักรราชและเมยานีก้มเสียนลลรับอย่างสงบพยายามสะกดกลั้นพระอารมณ์บางสิ่งบางอย่างไว้สีพระพักยิ่งผืดสลดโดยเฉพาะองค์จักรราช คนต่อไปคืออนุชาและเมื่อถึงชัยยันทั้งสองพระองค์ทรงรับสั่งแผ่วเบา ว, ว่าขอฝากความระลึกถึงของข้าไปยังมาเรียและบุตรที่เกิดใหม่ของเธอด้วยดารินกับพระพินเป็นคู่สุดท้ายที่ยังยืนอยู่ในแถวหญิงสาวเป็นฝ่ายสะกิดแขนเขาให้เข้าไปทูลลากนรนระพินจึงก้าวออกมาด้วยอาการเรียบเรียบปกติของเขาและมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าขององค์ประมุขแห่งมรกนครทั้งคู่ ทุกสิ่งทุกอย่างเราทั้งสองฝ่ายต่างก็ตัดหนักแน่แก่ใจกันดีอยู่แล้วพระเจ้าค่ะเอวังจึงมีด้วยประการชานี้จะราดแย้มโอดออกน้อยๆสะอึกอั้นตันพระไทยอยู่เป็นครูใหญ่แล้วพยักพระพักใช่เอวังก็มีด้วยประการชานี้ขอให้พี่ชายของขา้าจงประสบแต่ความสุขชั่ว น, นิรันดร์การและเราจะไม่พบกันอีกแล้วตลอดไป แม้กระทั่งทางกระแสดวงจิตเช่นนั้นเรืถูกต้องเราจะไม่พบกันอีกแม้แต่ในกระแสจิตหรือในความฝันนอกจากความระลึกถึงกันเท่านั้นภารกิจทุกด้านของท่านเสร็จสิ้นลงแล้วภารกิจของข้าก็เสร็จสิ้นลงเช่นกันสวรรค์เบื้องบนทรงทราบดีลาก่อนพี่ชายที่รักของข้ารัพินยืนนิ่งคอแข็งน้ำตาซึม จากราธิราชเจ้าก็ทรงอยู่ในพระอาการเดียวกันแง่าซายทำไมแกไม่เข้ามากอดผู้กองของแกไว้อีกฝ่ายหนึ่งสั่นเสียงแช่มช้าน้ำพระสุรเสียงเครือไม่ครับอย่าให้ผมต้องมีน้ําตาให้เหล่าทหารหารของผมทั้งหลายได้เห็นเลยเชิญผู้กองได้แล้วรพินเอาหลังนิ้วเช็ดที่ขอบตาด้านหนึ่งอย่างรวดเร็วจิตเท้าตรงวนทยาหัดแล้วถอยหลังเข้าไปในแถว ดารินเป็นคนสุดท้ายเป็นผู้ที่ก้าวเข้ามาถอนสายบูให้แก่ทั้งสองพระองค์ทูลลาแล้วเพคะมหาราชและมหาราชินีทั้งสองพระองค์ขอให้ทรงพระเจริญอยู่ในไอศู์สมบัติภายใต้มหาสเสวตฉัตรปกครองไพ่ฟ้าข้าแผ่นดินให้เป็นสุขร่มเย็นไปชั่วฟ้าดินหม่อมฉันจะไม่ลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในมรกรนครแห่งนี้ตราบชีวิตหาไม่ จักรราศเม้มโอดแน่นข่มความรู้สึกภายในส่วนราชนีเมยานีมีน้ำพระเนตรเริ่มไหลเป็นทางเพลอพระองค์โผลเข้ากอดดารินไว้เต็มอ้อมทรงอุทานออกมาว่าพี่หญิงเมยานีไม่อยากจะให้พี่หญิงจากเมยานีไปเลยพระเจ้ากรุงมรกฎนครดำรัดเรียกพระนามของราชนีด้วยสุรเสียงแผ่วต่ำเหมือนเป็นการให้สติ เมื่อนั้นเมยานีจึงผละออกจากอ้อมกอดของดารินพระองค์ได้เสด็จเข้ามาใกล้าดารินแล้วตรัดแผ่วเบาว่าขอฝากรัพินไพรวันไว้กับพี่สาวด้วยครับผมขอให้สวัสดีมีชัยดารินเองก็ร้องไห้ก้มหน้าหักใจถอยเข้าไปประจําอยู่ในแถวเมื่อนั้นรัพินไพรวันก็ก้าวล้ำออกมาเล็กน้อยและร้องสั่งทุกคนด้วยเสียงอันดังก้องว่า ทั้งหมดวันทยาวุฒิเสียงอาวุธปืนทั้ง36กระบอกพรึบพร้อมกันตั้งปากลํากล้องตรงขึ้นไปบนอากาศและเสียงที่เปล่งออกมาพร้อมกันว่าขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานจักรราชยืดพระวรกายตรงขึ้นขมสะอื้นตะโกนก้องตอบขอให้เหล่าท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกคนพระพินสั่งเรียบวุฒิ และคำสั่งสุดท้ายของเขาก็คือกลับหลังหันหน้าเดินขบวนทั้งหมดก็เริ่มเคลื่อนที่ลงไปตามพื้นเอียงลาดของถนนกึ่งกลางนั้นโดยทันทีท่ามกลางความเงียบสงบได้ ย, ยินแต่เสียงฝีเท้าเคลื่อนไหวและหีบห่อสัมภาร ะ, ระที่แกว่งกระทบแทรกเวทลอดออกมาจากเสียงเหล่านั้นก็คือเสียงสะอื้นเบาๆของดาวรินลอนเดินก้มหน้าโดยไม่เหลียวกลับขึ้นไปมองบนถนนนั้นอีกเลย ในช่วงระยะก่อนที่จะถึงตะพักจุดกึ่งกลางซึ่งทุกคนกำลังไต่กันลงมานานอินและบุญคำเดินนำไปเบื้องหน้าต่อมาก็เป็นขบวนลูกหาบทั้งย0สิบคนและเกิดเสยจัน์กับขยินที่คอยขนาบดูแลเป็นพี่เลี้ยงพวกลูกหาบเหล่านั้นเพราะหนทางชันฝ่ายอเมริกันเดินรวมหมู่กันถัดมาและชุดที่อยู่หลังสุดเป็นชุดของเชษฐาระพินซึ่งล้าหลังกว่าทุกคน ได้เดินเข้ามาประคองภรยายอดรักของเขาไว้แล้วกระซิบปลอบโยนอยู่ตลอดเวลาให้หักขคมใจลงเสียเมื่อทั้งขบวน36ชีวิตได้ลงมาถึงตระพักชั้นแรกอันใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วพากันแงนเงยขึ้นไปบนถนนเบื้องบนก็มองเห็นจักรราชเมยานียืนม้าอยู่ริมขอบถนนอันมีลักษณะเหมือนหน้าผาสูงลิฟนั้นโบกปลายหอกอยู่ไปมา ทุกคนหยุดอีกครั้งพากันโบกมือตอบแล้วช่วขณะจิตหนึ่งภาพที่เห็นอยู่เบื้องบนก็หายพ้นไปจากสายตาของฝ่ายข้างล่างเหมือนจะรู้ใจฝ่ายเบื้องล่างว่าหากยังยืนม้าเฝ้าจับมองอยู่เช่นนั้นก็จะเกิดอาการพวักพวนจึงชักมาให้ถอยหลบพ้นสายตาออกไปเสียเพื่อเปิดโอกาสให้คณะเดินทางทั้งหมดรุดหน้าต่อไปตามทิศทางแต่ในโสดประสาทของทุกคน ยังไม่ได้แววเสียงฝีเท้าม้าทั้งกองทัพยังถนนด้านบนเคลื่อนไหวผลาไปอย่างไรทั้งสิ้นเดินต่ออย่าเสียเวลาเวลาของเราทั้งหมดในมรกตนครหมดสิ้นลงเพียงแค่นี้แล้วเราทุกคนกำลังจะกลับบ้านกำลังจะกลับออกไปเผชิญชีวิตอย่างโลกภายนอกตามเดิมเสียงรับเพนไพรวันตะโกนกล้องตือนสติทุกคนออกไป อีกประมาณหนึ่งชั่วโมองเต็มๆที่ทุกคนไม่ได้เหลียวกลับมาดูหลังอีกเลยต่างเคลื่อนลงไปตามลาดับนั้นแต่พักแล้วแต่พักเล่าที่ผ่านพ้นกันมาและแล้วพอตะวันบ่ายเบนไปเล็กน้อยตาก็มาหยุดกันบนยอดเขาอันมีระดับต่ำลงมาลูกหนึ่งโอกาสนี้เองทุกคนจึงมีเวลาที่จะหันกลับขึ้นไปมองอยังทิศทางที่ตนได้พระจากมาแล้วนั้น แล้วพากันเบิกตากว้างตะลึงงินกันไปอีกเว้นรพินคนเดียวซึ่งอยู่ในอาการปกติที่สุดแต่ดูดบุรีลึกจนแก้มตอบตำแหน่งอันเป็นถนนพระสิวะที่ทุกคนจำได้นั้นบัดนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปเสียแล้วไม่มีวี่แววเข้าเงื่อนให้เห็นอีกเลยว่าบนยอดสูงของทิวเขาลิบๆขึ้นไปนั้นคือตำแหน่งของถนนสายยาวเหยียดที่จะมุ่งไปสู่มรกนคร แมันเป็นเงาแต่คุ่มเลื่นเลืนลางๆอยู่ในกลุ่มหมอกที่ปกคลุมเต็มไปหมดทําให้ไม่สามารถจะสังเกตเห็นสิ่งใดได้อีกเลยอย่าว่าแต่จะเหลียวแลขึ้นไปเห็นกองทัพของมรกรนครที่มาส่งเลยแม้แต่สันฐานรูปทรงของเนินที่จะไต่ขึ้นไปสู่ถนนก็ได้อันตรทานไปจากลักษณะเดิมเสียแล้วโอ้โกอดอะไรกันนี่ตำแหน่งอันเป็นถนนพระศิวะหายไปไหนแล้ว สแตนลีย์ร้องออกมาด้วยเสียงหนักๆยกมือขึ้นขยี้ตาเท่านั้นยังไม่พออุตสาห์คว้ากล้องสองทางไกลขึ้นมาจับภาพแต่มันก็ไม่ช่วยประโยชน์อะไรเขาให้ขึ้นมาเลยเขาเห็นแต่หมู่เมฆละ อ, องหมอกเราเดินกันมาเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นหรือจะกว่านั้นก็เล็กน้อยและเดินลงมาตลอดไม่ได้เลี้ยวรถคดเคี้ยวไปในทิศทางไหนเลยทาไมเวลาหันกลับขึ้นไปมองที่เก่ามันจึงเปลี่ยนลักษณะไปหมดแล้วเช่นนี้ คิดอุทานขึ้นอีกคนผิวผากยาวยกมือขึ้นขยี้ตาเบลและเชิดวูดเองก็อ้าปากค้างส่วนคริสติน่ามีอาการปกติไม่ได้สนใจกับความเปลี่ยนแปลงที่เห็นแม้แต่น้อยเหมือนเหมือนกับฝ่ายของเชษฐ้าแล้วระพินก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงแผ่วต่ำกับทุกคนว่าเอาละเราเริ่มพ้นออกจากรัศมีของแดนสนธยาที่เปรียบเหมือนฝันไปแล้ว ผมอยากจะขอร้องให้ทุกคนตั้งเวลาของนาฬิกาประจำตัวได้เวลาขณะนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายโมง35นาทีจะขาดเกินก็คงไม่มากกว่า5นาทีขณะที่บอกเข้าแหงหน้าขึ้นมองดูดวงตะวันพร้อมกับสูตรลมหายใจลึกและขณะนั้นเองก็มีเสียงเอะอะประหลาดใจดังมาจากฝ่ายอเมริกันอีกครั้ง ทุกคนยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูแล้วต่างบอกกันแซดว่านาฬิกาของตนได้เริ่มเดินแล้วแต่มันเริ่มต้นเดินเอาตั้งแต่เวลาที่มันหยุดไปซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในขณะนี้เสียงทุกคนไต่ถามเขาแซดว่าจะให้ตั้งเวลาเท่าไหร่กันแน่ระพินบอกให้ทั้งหมดตั้งเวลาไว้ให้ตรงกันทุกคนคือ13บสนาฬิกาสานาทีต่างจึงหมุนเข็มนาฬิกาประพิน และนี้ถ้าเราเดินย้อนทางกลับขึ้นไปเส้นเดียวกับที่เราลงมานี่เราจะพบกับถนนพระศิวะตำแหน่งกึ่งกลางที่เราอำลาจากจักรราชและราชินีเมยานีไม่นี่สมมติเราจะย้อนกลับไปมรกรนคร อ, อีกเราจะย้อนกลับได้ไหมสเตนเนอรี่ร้องถามขึ้นผมเกรงว่าจะทำไม่ได้มันอาจมีขุนเขาอีกนับหลายร้อยลูกโผล่ขึ้นมาปิดบังขวางหน้าของเราไวขณะที่เราเดินทางมานั้น จักรราชหรือมิฉะนั้นก็สวรรค์เบื้องบนได้เปิดทางให้เราออกมาจากเมืองลับแลแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าถ้าเราใช้เส้นทางเดิมเราจะกลับไปถึงตำแหน่งนั้นได้ในเวลาเท่าเดิมมันอาจได้เหมือนกันแต่อาจเป็นเวลาถึงเจ็วันหรือหนึ่งเดือนก็ได้ใครจะรู้ผมว่าคุณเลิกคิดอะไรได้แล้วอ้อเอาวิทยุรับส่งประจาตัวของทุกคนขึ้นมาตรวจสอบสภาพเครื่องด้วย ว่ามันเริ่มรับส่งได้แล้วหรือยังสำหรับวิทยุมือถือทั้งฝ่ายอเมริกันและฝ่ายของเชตางัดเอาวิทยุประจำตัวของแต่ละคนที่เก็บไว้ในเครื่องหลังโดยไม่ได้สนใจอีกเลยนับตั้งแต่เหยียบย่งเข้าสู่มรกตนครขึ้นมาเปิดเพื่อทดสอบแบตเตอรี่และการรับคลื่นความมหัศจรรย์ก็พลันเกิดขึ้นอีกครั้งทุกเครื่องของทั้งสองฝ่ายที่บอดสนิทราวกับไม่มีแบตเตอรี่นั้น ส่งเสียงสัญญาณของคลื่นอากาศขึ้นในทันทีอเมริกันทุกคนแทบกระโดดตัวลอยฮูเร่กันขึ้นลั่นไปหมดรพินตรวจเช็คข่ายและพลังรับส่งของฝ่ายเชื่อถืโดยการช่วยเหลือเข้ามาตรวจดูด้วยของคิดชั่วไม่นานก็สามารถจะปรับคลื่นความถี่ในการรับส่งให้เข้ามาอยู่ในข่ายเดียวกันเพราะสภาพของตัวเครื่องรับส่งมือถือแม้จะไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกัน ก็มีส่วนของขายความถี่คลื่นอันสามารถสแกนปรับให้รับส่งซึ่งกันและกันได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรเลยเขาสั่งให้ทุกคนพักและรับประทานอาหารเที่ยงวันกันอย่างตำแหน่งใต้ต้นสนภูเขาอันร่มรื่นในขณะนี้เองภาษาของใครของมันแต่ต่างฝ่ายต่างพูดกันแล้วฝ่ายตรงข้ามสามารถเข้าใจได้ก็กลับคืนมาเป็นสภาพเดิมหมดทุกอย่าง พวกอเมริกันฟังภาษากระเรียงของขยินหรืออูทะพาโตไม่รู้เรื่องเลยต้องมีล่ามแปลตามเดิมทั้งๆ ท, ท, ที่ในมรกรกนครระหว่างอเมริกันกับพวกลูกหาบหรือพรานพื้นเมืองทั้งหลายสามารถพูดจากันได้เหมือนภาษาเดียวกันอย่างไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคแม้แต่น้อยและแม้แต่ฝ่ายเชืาจะพูดกับพวกอเมริกันเหล่านั้นก็ใช้ภาษาไทยของตนแต่มาบัดนี้เดี๋ยวนี้ ฝ่ายเชษฐาต้องใช้ภาษาอเมริกันแล้วถ้าหากจะทำความเข้าใจให้ถ่องแท้กับพวกนั้นนี่เราฝันกันไปหรือเปล่านอสแตนลีย์ฝืนยิ้มหันมาพูดกับเชฐฐาด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบอกได้ถูกก็คิดว่าเราฝันไปก็แล้วกันทุกสิ่งทุกอย่างในมรกนครหรือแม้ครั้งสุดท้ายทุกคาพูดทุกอิริยบธาบถท่าทีของจักรราชและราชินีเมยานียังติดตา และเสียงของพระองค์ก็ยังแว่วอยู่ในโสดประสาท์ในขณะนี้แต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนกับว่าเราได้ตื่นฟื้นขึ้นจากความฝันนั่นแหละเบลเอ่อยขึ้นแล้วหันมาทางคริสว่า mm. เธอคิดยังไงคริสแม่ผมทองสันศีษะช้าชา้ายิ้มให้ขึ้มๆึมครูรพินบอกกับพวกเราแล้วไม่ใช่หรือว่าบัดนี้เราได้ล่วงพ้นออกมาจากแผ่นดินประหลาดนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นเหมือนกับว่าเราได้ฝันไป ฉันขอคำมั่นสัญญาจากอาจารย์และพวกเราทุกคนอีกครั้งประโยคหลังหลนหันไปพูดน้ำเสียงเคร่งจริงจังกับสแตอ์ลี่อะไรหรือคริสเราจะไม่ลืมในสิ่งที่เราได้พบเห็นทุกอย่างแต่เราจะไม่พูดอะไรกับใครทั้งสิ้นอย่างที่เราตกลงกันไว้ก่อนแล้วโดยเฉพาะนาครประหลาดในความลี้ลับและซาเครื่องตก สเตลล่หันไปทางยอดขุนเขาอันถูกปกคลุมอยู่ด้วยม่านหมอกนั้นอีกครั้งถอนใจเฮือกรับออกมาด้วยเสียงห้าวต่ำของเขาว่าแน่นอนมันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราเลยในการที่จะไปเล่านิทานให้ใครฟังทั้งที่เราประสบพบเห็นมานั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนั่นเป็นความคิดที่ดีที่สุดแล้วสำหรับพวกคุณชายยันและอนุชาบอกกับพวกนั้นเราหลุดออกมาจากดินแดนประหลาดนั้นแล้ว เธอยังมีความคิดอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าคริสสแตนลีย์หันไปถามแม่นักเคมีฟิสิกสาวผู้บัดนี้กลายสภาพเป็นผู้สงบเสงี่ยมที่สุดฉันหลุดพ้นออกจากแดนสนทยาณ น, นั้นแล้วค่ะอาจารย์แต่จะไม่มีวันหลุดพ้นจากคําสั่งสอนของอ ง, องค์จักรราชเลยและปณิธานของฉันที่เคยตั้งมั่นไว้เช่นไรก็จะยังคงเป็นไปเช่นนั้นไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้ ระยะเวลาระหว่างการพักรับประทานอาหารกันเพียงเพื่อรองท้องและพักชั่วระยะสั้นๆนี้รับพินขอร้องให้คิดเอาวิทยุรับส่งเครื่องใหญ่ออกมาตรวจทดลองดูอีกครั้งก็ปรากฏว่ามันยังคงไม่ทำงานอยู่เช่นเดิมต่างกับวิทยุมือถือเล็กๆที่มีติดตัวกันอยู่ฉันบอกนายกับทุกคนแล้วว่ามันพังไปแล้วไม่รู้จะขนมาทาไมให้หนักเปล่าๆชีตบ่นอู้ย เตวิทยุชันเลิศนั้นโครมเข้าให้แต่ละพินบอกยิ้มยิ้มอย่างมั่นใจว่ามันไม่เสียหรอกคิดฉันเชื่อแน่ว่ามันจะต้องทำงานได้อีกครั้งขอให้เราพ้น ร, รัศมีจากที่นี่ออกไปให้ห่างหน่อยเท่านั้นถ้านายทิ้งมันไปเสียนายก็โง่าตายหาระยะทางที่ฉันจะนำพวกนายกลับออกไปคราวนี้มันจะเป็นระยะที่ย่นหนทางมากทีเดียวผิดกับเมื่อขามามากนะัก จักรราทำแผนที่ให้แนวทางเดินแก่ฉันแล้วและเชื่อด้วยว่าตลอดระยะเวลาที่เราเดินทางอยู่นี้พระองค์ก็คงเข้าสมาธิเพื่อเปิดทางให้แก่พวกเราเพื่อต่างฝ่ายต่างจะได้กลับถึงบ้านโดยเร็วที่สุดคุณเชื่อเช่นนั้นหรือสแตนลีย์ถามขึ้นอย่างตื่นเต้นสังหอนหรือประสาทสัมผัสของผมไม่เคยผิดหรอกครับเอาละเราจะไม่ยอมเสียเวลาเลยแม้แต่น้อย พอกินอาหารกันเสร็จแล้วเราจะออกเดินทางต่อทันทีตลอดระยะเวลาอีกครึ่งวันที่เหลือคณะต่างเดินทางในละักษณะเดินบ่ายหน้าลงเขาหรือลงจากที่ราบสูงต่างระดับต่างชั้นกันมาทุกระยะแต่ไม่มีเส้นทางใดที่จะต้องถึงกับปีนป่ายกันลงไปเลยเพราะหนทางที่ระพินนำบ่ายหน้าไปนั้นอย่างชันมากที่สุดก็เทเอียงลาดประมาณ45องศาเท่านั้น พื้นภูมิประเทศเป็นหญ้านุ่มและสนภูเขานานาพันธุ์ขึ้นแวดล้อมบดบังไว้รอบด้านบางมุมที่ป่าสนเหล่านั้นบางตาไปก็จะแลเห็นทิวเขาล้อมรอบทิศไปหมดตัดกับหมู่เมฆที่ลอยอยู่ตเตี้ยๆและสนมากมักจะลอยต่ำกว่าระดับยอดเขาสูงๆต่ำๆที่มองเห็นแม้จะเป็นกองคารวานของคนหมู่มากถึง36ชีวิตแต่ทว่า แต่ละคนก็พากันเดินไปอย่างเงียบเชียบสงบที่สุดท่ามกลางบรรยากาศอันสงบรบผินนั้นเดินร่วมอยู่คณะเจ้านายเก่าและเจ้านายใหม่ของเขาทั้งสองคณะโดยไม่ได้แยกตัวออกไปเดินนำหน้าเหมือนเช่นเคยทุกครั้งคงปล่อยหน้าที่ในการนาทางให้แก่บุญคำและนานอินอันเดินอยู่คู่กันนานๆครั้งเมื่อเกิดอาการลังเล ทั้งบุญคำและนานอินก็เลี้ยวกลับมองดูคณะเจ้านายทั้งหมดอีกครั้งถ้ายังอยู่ไม่ห่างไกลกันนะักจอมพรานก็จะใช้วิธีชี้มือกำหนดทิศทางให้ซึ่งทั้งสองก็เข้าใจในอาการตีมือเป็นสัญญาณของเขาเป็นอย่างดีและถ้าเวลาใดที่ทั้งสองเดินรุดหน้านำห่างไกลออกไป<ๆ>ก็จะถามกลับมาโดยทางวิทยุมือถือซึ่งทั้งบุญคำและนานอินมีกันอยู่คนละเครื่อง ที่ได้รับมอบหมายไว้ให้เครื่องของบุญคาเป็นเครื่องของฝ่ายอเมริกันส่วนเครื่องของนานอินเป็นเครื่องของเชฐาาชะตองเตงเอวยว่าชะตองแต่งผลทางมันสองแพร่งเราจะไปทางไหนดีเฮ้ย บางเวลาเสียงตะเท่าบุญคำร้องเป็นเพลงทะลึ่งทะลึ่งของแกดังออกมาจากลำพงวิทยุของระพินซึ่งทำให้ดารินเดินเคียงอยู่ใกล้ๆสามีของหล่อนและคณะฝ่ายไทยทั้งหมดพากันหัวเรา อ, ออกมาได้เสียงพูดเป็นทานองของแกแทนความหมายถามมยังพรานใหญ่นั่นเองระพินหัวเราะหึ่หึระหว่างที่ทุกคนปล่อยกา ก, ากออกมาได้เป็นครั้งแรกเขายกวิทยุในมือขึ้นกรอกคาสั่งลงไป มุ่งตะวันตกตลอดจนกว่าตะวันจะรับสันเขาสาหรับวันนี้ไม่ต้องแยกซ้ายหรือว่าแยกขวาอะไรทั้งนั้นข้างหน้าบุญคำนี้มีเหวอยู่บอ่อเบอ้เอเร่เลยนายจะให้เดินตรงลงเหวด้วยหรือยังไงเสียงแกถามมาอีกไม่มีเหวบนพื้นที่ราบสูงหรอกนั่นคือหลุมอุกาบาทเป้าหมายแรกของเราถ้าไม่รู้จักเดินอ้อมจะไต่ลงหลุมอุกาบาดให้กลิ้งลงไปคอหักก็ตามใจ อย่าแกล้ ง, งโง่ถามมาให้เสียเวลาเลยตะคำโตกลงไอ้คำกับพี่อิน์จะเดินอ้อมออกซ้ายมือนี่ก่อนนะพอพ้นหลุมแล้วค่อยมุ่งตะวันตกต่อไปว่าแต่นายเถอะขึ้นมาเดินนำหน้าดีกว่าไปเดินรวมกลุ่มอยู่กับพวกเจ้านายเขาทำไมดูแคเกลียงผมสิครับระพินหันมาบอกดารินกับเจ้านายของเขาทุกคนอันทาให้ทั้งหมดของฝ่ายเชาิาหัวเราะขึ้นอีก ทำให้เกิดอาการคลึกครื้นกันขึ้นเล็กๆน้อยๆภายหลังจากเดินเงียบขึมกันมาเป็นเวลาช้านานดาริเนยกพทิยุก ข, ของหล่อนขึ้นกดคีย์บุญคําครับนายหญิงตอนนี้พรานใหญ่เขาเดินสู้บุญคําไม่ได้แล้วจึงไม่ได้ขึ้นไปเดินนําหน้าอยู่ข้างหน้าเหมือนเคยเพราะฉะนั้นบุญคํากับลุงอินนําหน้าไปก็แล้วกันและอย่าให้ห่างจากรัศมีสายตาของพวกเราด้านหลังนะัก โดยเฉพาะตอนมีมุมเนินบังเสร็จนายกูอีเที่ยวขากลับนี่หมดแรงซะแล้วแต่ก็น่าเห็นใจเสยงทาคําบ่นอุบอบมาโดยเจตนาจะให้ทุกคนได้ยินเชิงกระเซ้าเย้าแย่เจ้านายของตัวเองรพินจุปากจิกจักขยับจะเร่นฝีเท้าขึ้นไปเตะแกเสยสักปากแต่ดารินคว้าแขนไว้หัวเราะอย่าไปยุ่งอะไรกับตะคัมเลยนะ้ารพิน คุณเดินพร้อมๆกันเป็นหมู่กับพวกเราทุกคนนี่แหละและนี่เป็นครั้งแรกนะที่คุณยอมเดินไปพร้อมๆกับพวกเราทั้งหมดโดยไม่จ้ำอ้าวแบบตามควายหายเหมือนเช่นทุกครั้งฉันอยากจะให้คุณอยู่ใกล้ๆพวกเราทุกคนอย่างนี้ถ้าคุณเดินนำหน้าฉันและพวกเราทุกคนก็เดินตามไม่ทันอยู่นั่นเองจนกว่าคุณจะหยุดรออิทคมนี่แกสนจริงนะถ้าไม่มีแกซิคนเดียว พวกเราคงจะเหงากันแย่แล้วก็เหงากันมาตลอดทั้งวันแล้วสำหรับวันนี้สแตนลีย์เอ่ยขึ้นภายหลังจากสอบซักถามเอาความจากเชษฐาและอดีตทูตทหารบกอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดว่ามีการโต้อตอบกันอย่างไรระหว่างบุญคำรพินและดารินให้ตายเถอะแม้เราจะเดินร่วมหมู่กันมาเป็นจานวนมากถึงขนาดนี้มันก็เป็นการเดินที่เศร้าเงียบเหงาอย่างไรบอกไม่ถูก มันดูเปลี่ยวๆใจอย่างไรชอบกลทั้งๆที่เราน่าจะร่าเริงกันที่สุดในเที่ยวขากลับเสียงคิดบ่นออกมาเบาๆพร้อมกับถอนใจเฮือกก็ทุกคนเอาอแต่เดินอย่างเดียวไม่เห็นมีใครคุยอะไรกันมั่งเลยแม้กระทั่งสองสามีภรรยาที่เพิ่งจะแต่งงานกันนั่นเบลเอ่ยออกมาในเชิงบนหล่อนเองก็รู้สึกเหงาอย่างไรบอกไม่ถูก ส3าครั้งหันไปพูดกับเชิดวุธหรือคริสทั้งสองก็ได้แต่พูดคำตอบคำทุกคนทอดสายตาไปข้างหน้าและเดินกันไปอย่างนักเดินป่าหรือนักไต่เขาอาชีพโดยไม่ยอมล่าช้าเสียเวลาเลยทำอะไรสักอย่างสิเบลที่เธอคิดว่าจะทำให้พวกเรามีความรู้สึกที่รื่นเริงขึ้นได้ดารินส่งภาษาบอกมายิ้มยิ้มเบลป้องปากร้องตะโกนดังๆออกมาครั้งหนึ่ง เสียงของหลอนดังสะท้านก้องกังวานกลับไปกลับมาในระหว่างเนินเขาล้อมรอบพักพวกที่เดินอยู่ด้วยกันและพวกลูกหาบ พ, พอจะเข้าใจว่าเบลแกล้งตะโกนเล่นเหมือนจะลองเสียงว่ามันจะมีอาการก้องสะท้อนเช่นไรแต่บุญคํากับนานอินผู้เดินอ้อมหลุมอุกาบาดอยู่ในขณะนี้เลี้ยวกลับมามองแล้วส่งเสียงถามทางวิทยุ ข, ของแก่ก็ดังมายัางเครื่องรับของรพินที่เปิดรับฟังอยู่ ใครใครตะโกนเรียกหาเทวดาไม่มีใครตะโกนเรียกเทวดาหลอกลุงคําแมมเบลแกล้งร้องตะโกนให้มีเสียงดังขึ้นเล่นๆงั้นแหละแกเหงาแกเชิดวุฒต่อไปทางวิทยุเหงาทําไมทําไมต้องเหงาบอกแมมเบลถ้าเหงาก็มาเดินกะไอ้คําได้นายทหารเชิดวุฒก็ไม่น่าจะทําให้แมมเบลเหงาเวลาแกเหงาก็าเอานิ้วจี้สีข้างให้แกหัวเราะไว้เรื่อยๆ จีให้ถูกสีข้างนะอย่าให้ถูกที่อื่นเดี๋ยวพวกพ้องเขาจะหาว่านายทหารทำอนาจารต่อหน้าทารกกำนันเสียงธคำตอบมาเชิดวุฒหัวรอกกากออกมาได้เป็นครั้งแรกเช่นกันเบลทาหน้าตื่นเพราะเสียงจากวุธยุหลอนจับกระแสะคำพูดไม่ทันฟังไม่เข้าใจแจ่มชัดนักแต่เมื่อถามเชิดวุนายทหารหนุ่มก็ไม่ตอบอะไรความเงียบก็เข้ามาปกคลุมอีก พร้อมๆกับแสงตะวันที่เริ่มอ่อนจางลงเป็นลำดับท่ามกลางขุนเขาและทุ่งหญ้าอันเขียวขจีและอ่อนนุ่มอันแวดล้อมอยู่รอบตัวค่ำนั้นรพินสั่งวางแคมป์อย่างบริเวณป่าสนในระหว่างหุกเขาตามจากลุมอุกาบาทลงป่าประมาณสองกิโลเมตรนอกจากนกบางพันธ์และกวางขนยาวบางชนิดแล้ว ทั้งคณะที่เดินทางมาตลอดเครื่องวันนี้ไม่ได้พบปะสัตว์ชนิดใดเลยทั้งสิ้นและสัญชาตญาณล่าของทุกคนก็ดูเหมือนจะเหือดหายไปจากจิตใจหมดสิ้นแล้วแม้แต่พวกครานพื้นเมืองเองยิ่งประกอบกับสเสบียงอาหารที่ได้รับมาอย่างพรักพร้อมเช่นนี้ก็ยิ่งทำให้ไม่มีใครที่จะคิดยิงสัตว์ชนิดใดทั้งสิ้นนอกจากเดินไปพรางก็ชมธรรมชาติของขุนเขาลำนาไพรไปพรางเท่านั้น หลังอาหารที่รับประทานร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่เสร็จสิ้นลงก็มือสนิทพอดีรัพินสั่งให้ก่อกองไฟตามปกติไว้ทั้งสมด้านและในระหว่างที่พวกเขากับฝ่ายอเมริกันนั่งสูบบุหรี่ผิงไฟสนทนากันก่อนเข้านอนนั้นก็สังเกตเห็นคริสติน่าแยกตัวออกไปก่อกองไฟเล็กๆขึ้นกองหนึ่งห่างจากกลุ่มของพรกพวกทุกคนออกไปประมาณหเมตรภายใต้ต้นสนภูเขา อันเป็นบริเวณที่ราบเรียบตำแหน่งหนึ่งและนั่งขาดสมาธิทรงตัวตรงแน่วนิ่งไม่ติงกายเหมือนท่อนไม้อยู่ตำแหน่งนั้นโดยไม่ได้เข้ามารวมกลุ่มร่วมสนทนาด้วยใดใดทั้งสิ้นหลายหลายคนรู้ว่าหล่อนกำลังสแสวงเข้าหาสิ่งใดแต่เบลและคิดอาจไม่ทันคิดทั้งสองหันไปมองและทำท่าจตกลเรียกทักแต่เชิร์วและสแตลี่คว้าแขนไว้ได้ทนัน ปล่อยเขาตามสบายขณะนี้คริสกำลังอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งแล้วแล้วนั่นเขาจะนั่งอยู่อย่างนั้นในท่านั้นตลอดคืนโดยแยกจากกลุ่มพวกเราออกไปอยู่ตามลำพังอย่างนั้นหรือเบอลเอ่ยถามขึ้นด้วยสีหน้าตื่นตื่นอย่าห่วงหรือมีวิตกกังวลอะไรเลยเบลเชธฐาเป็นคนกล่าวตอบขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนนุ่มนวลของเขาขณะที่สายตาจับไปยังร่างอันนิ่ง นั่งเรากับจะเป็นซากอันปราศจากวิญญาณหน้ากองไฟเล็กๆนั้นคริสปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของเธออย่างที่เคยถือปฏิบัติปล่อยให้เธอได้สงบจิตเข้าสมาธิเถิดเข้าใจว่าเมื่อถึงเวลานอนพักเธอคงจะลาจากสมาธิและมานอนร่วมกับพวกเราตามปกติขณะ น, นี้เธอต้องการความสันโดษตามลำพังแล้วก็อยู่ไม่ห่างจากพวกเรานัก รศมีมองเห็นกันอยู่แค่นี้โดยคำพูดของเชษฐาเช่นนั้นเองทำให้ทั้งคิดและเบลตลอดจนทุกคนสงบลงได้ไม่มีใครคิดที่จะไปตอแยรบกวนอะไรแม่ผมทองซึ่งแยกไปนั่งสงบอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังในลักษณะเข้าฌานดารินบอกกับประพินและทุกคนว่าระหว่างที่เรายัางคงนั่งคุยกันอยู่นี่ก็ควรหเหลือไปทางคริสบ้างก็แล้วกันเพื่อความไม่ประมาท เพราะไปนั่งอยู่ตามลำพังคนเดียวและห่างจากพวกเราพอสมควรช่วยพลาดพรั้งมีอะไรย่องเข้ามาเราจะสกัดกั้นกันไม่ทันวางใจเถิดครับคุณหญิงสมมติว่าป่าแถบนี้จะมีเหลือบยุงหรือริ้นไรจาแมลงพวกนั้นก็จะไม่เข้ามาแผ่วผ่านใดๆคริสได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคำนึงถึงสัตว์ร้ายอื่นๆให้เสียเวลาระพินบอก แล้วทำหน้าที่อธิบายทิศทางให้ฝ่ายนายจ้างอเมริกันของเขาทราบว่าเส้นทางเดินจะมุ่งไปยังทิศใดๆบ้างเพื่อให้ทราบล่วงหน้าผมจะพยายามเอาพวกท่านทุกคนให้ออกพ้นรัศมีเทือกพระศิวะและป่าดําให้เร็วที่สุดเดินกันมาเพียงแค่ครึ่งวันของวันนี้เรายังอยู่ในรัศมีของขอบเขตเทือกพระศิวะอยู่สแตนลีย์คิก สอบถามอะไรเกี่ยวกับเส้นทางเขาจนกระทั่งเป็นที่พอใจแล้วหันไปคุยร่วมกับเชิดาอนุชาและชายันถึงเรื่องอื่นๆสารพัดเรื่องอันส่วนใหญ่เกี่ยวกับนครรับแลที่ทุกคนเพิ่งจะเดินทางพผะจากมาระหว่างนั้นดารินผู้นั่งอยู่บนขอนไม้ยาวท่อนเดียวกันกับระพินก็ถือโอกาสสนทนากับเขาเบาๆตามลําพังสองต่อสองโดยปล่อยให้บุคคลอื่นๆสนทนากันไป คุณเคยคิดแปลกใจอะไรอย่างชันบ้างไหมเรื่องอะไรหรือครับตามปกติแล้วแง่ทรายหรือจักรราชเป็นคนที่มีสัจจะที่สุดคนหนึ่งไม่ใช่หรือแง่ทรายเป็นคนรักษาสัจจะวาจาที่สุดในทุกเรื่องข้อนี้ผมยอมรับเขาตอบทั้งสองคุยกันเองด้วยเสียงกระซิบแล้วคุณจำได้ไหมก่อนที่เราจะลาจากเขาในครั้งก่อนโน้นฉันหมายถึงเมื่อมาครั้งก่อน เขาได้บอกอะไรกับพวกเราไว้มันมีหลายเรื่องหลายอย่างเหลือเกินถ้าคุณหญิงหมายถึงอะไรโดยเฉพาะเจาะจงลงไปก็ต้องเตือนระลึกผมหน่อยครับเขาบอกว่าภายหลังจากที่พวกเราจากมรดกนครมาแล้วในครั้งนั้นเขาจะให้สถาปนิกสร้างอนุสาวรีของพวกเราทุกคนไว้โดยประดิษฐานไว้ตรงหน้าสนามชัยแม้กระทั่งบุญคา จันเกิดเสยและขยินยกเว้นส่างปาคนเดียวที่เขาขอตัวไว้เพื่ออยู่กับเขาพระพินยิ้มออกมานิดหนึ่งอย่างเพิ่งจะคิดขึ้นมาได้อ๋อใช่ครับเขาบอกพวกเราไว้เช่นนั้นฉันไม่ต้องการจะเห็นอนุสาวรีหรือภาพปั้นของตนเองที่หน้าสนามชัยนั่นหรอกนะแต่ก็อดสงสัยไม่ได้เราผ่านสนามชัยกันแทบจะทุกวัน แต่เรามองไม่เห็นอนุสาวรีย์หรือภาพปั้นของพวกเราคนใดเลยคุณสังเกตไหมพรานใหญ่ยิ้มกว้างออกไปอีกเอาเข่ากระทบเขาหญิงสาวเบาๆแล้วกระซิบบอกว่าโดยความจริงผมเองก็ลืมไปเสียแล้วด้วยซ้ำในเรื่องนี้และไม่ได้สนใจสังเกตอะไรเลยแต่แง่ซ้ายเองนั่นแหละเป็นคนมาพูดเรื่องนี้กับผมตอนที่เรามาถึงมกรกนครครั้งที่สองนี่ เขาบอกกับผมว่าในเรื่องนี้เขายังจำได้เสมอไม่เคยลืมเลยแต่โหนประจําราชสำนักได้ทักทวงเข้าไว้ว่าการสร้างอนุสาวรีนั้นหมายถึงเป็นที่ระลึกของบุคคลที่ล่วงลับหรือตายไปแล้วแต่พวกเราทุกคนยังมีชีวิตอยู่จึงยังไม่สมควรที่จะสร้างขึ้นและสาเหตุนี้เองเขาจึงจำเป็นต้องระงับความคิดนี้เอาไว้แต่คุณหญิงไม่สังเกตรหรือครับ ว่าการที่เราย้อนกลับมายัาง ม, มรกรกนครครั้งนี้อีกครัง้งแงซายได้ให้จิตรกรมาวาดรูปพวกเราทุกคนโดยละเอียดเอาไว้หมดเฉพาะพวกเรานะครับไม่เกี่ยวข้องกับอเมริกันพวกนั้นคนใดเลยอายุของชาวมรกกครจะยืนยาวกว่าพวกเรามากอย่างน้อยก็กว่าหนึ่งเท่าตัวผมคิดเอาเองว่าสักวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าที่พวกเราแก่ตายกันไปหมดแล้ว และตัวเขายังมีชีวิตอยู่เหมือนเดิมเขาคงจะสร้างอนุสาวรีย์ของพวกเราทุกคนไว้ที่หน้าสนามชัยอย่างไม่ต้องสงสัยและถ้าชาติหน้าพวกเราได้มีโอกาสย้อนกลับมาที่นี่อีกเราก็คงจะได้เห็นอนุสาวรีย์ภาพปั้นหรือแกะสลักของพวกเราแน่ๆสําคัญว่าชาติหน้าคุณหญิงจะสามารถระลึกชาติได้เหมือนชาตินี้หรือไม่เท่านั้นทาไม มีพวกเราคนไหนพูดเรื่องนี้กับคุณหญิงหรือครับดารินสรนศรีสะยิ้มออกมาขันขันไม่มีใครมานั่งสนใจหรือจดจําอะไรได้อย่างชั้นหรอกไม่มีใครถามมีแต่ชั้นคิดอยู่คนเดียวเท่านั้นแต่เมื่อมาได้รับคําอธิบายจากคุณเช่นนี้ฉั้นก็เข้าใจแล้วและนี่ฉันก็แอบถามคุณตามลําพังเท่านั้นไม่เคยพูดกับพวกเราคนใดทั้งสิ้นเอาละพวกเราดูเหมือนเตรียมท่าจะนอนพักกันแล้ว คุณไปตามคริสกลับเข้ามาเถิดตกลงครับผมจะไปตามให้แต่ขอเรียนให้คุณหญิงทราบโวงหน้าเสียก่อนสักอย่างหนึ่งอะไรคะขณะนี้เราอยู่ท่ามกลางป่าดงพงไพรอีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อถึงเวลานอนคุณหญิงอย่ามัวกังวลผมไปนอนอยู่ที่ไหนอย่างไรหรือลุกขึ้นไปทำอะไรบ้างหน้าที่พรานนำทางที่จะต้องรับผิดชอบต่อทุกชีวิตของเจ้านายผมทั้งหมด ยังไม่หมดสิ้นถึงเวลานอนคุณหญิงก็นอนรวมกับพวกพี่ๆทั้งหลายเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติมาก็แล้วกันกลุ่มนายจ้างทั้งหมดจะนอนกันอยู่ใจกลางวงล้อมของพวกผมและพวกลูกหาบทั้งหลายเรายังประมาทอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นจนกว่าจะถึงบ้านแน่นอนแล้วดารินพยักหน้าลงอย่างว่าง่ายประกายตาที่แลจลจมายัางเขาฉ่ำไปด้วยแววแห่งความชื่นชมสนิทเสนหา ตกลงคาะระพินฉันเข้าใจคุณและภาระหน้าที่สำคัญของคุณเสมอและคุณก็คงทราบอยู่แล้วว่าฉันไม่สำออยหรือออเสาะนักหอกชื่นใจคุณหญิงไม่ทำความลำบากใจให้ผมเลยอย่างนี้สิครับถึงจะเรียกว่าคุณหญิงดารินวราริศดารินไพรวันจักหล่อนทวงเอาให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนดีกว่าครับตอนนี้อยากจะให้เป็นวราริศไปก่อน ขอรับรองว่าคุณหญิงมีโอกาสได้ใช้นามสกุลเปิเปินของผมแน่พูดแผ่วเบาได้ยินกันเพียงสองคนจบประโยคแค่นั้นเขาก็ลุกขึ้นยืนบอกกับทุกคนว่าเตรียมพักได้แล้วครับพรุ่งนี้และวันต่อๆไปเราอยัางจะต้องเดินกันหนักนักถึงแม้ว่าอาจสบายกว่าขามาก็ตามอ้อผมจะไปตามคริสเองว่าแล้ว จอมพรานก็เดินผ่าจากคณะที่นั่งผิงไฟกันอยู่เดินด้วยฝีเท้าเบากริบตรงไปยังคริสติน่าผู้นั่งเข้าสมาธิอยู่เข้ามาหยุดยืนอยู่เบื้องหลังของหลอนคริสยังคงนั่งเฉยเหมือนไม่สำเนีกว่ามีใครมายืนอยู่ชิดตัวด้านซ้ายข้างข้างกายของหลอนเอ็มสิประจํามือวางราบอยู่บนพื้นระผินค่อยๆก้มลงไปหยิบปืนประจําตัวของหลอนขึ้นมาถือไว อย่างเงียบเชียบแม่ผมทองก็ยังไม่ตืงกายเขาปลดแมกซีนปืนออกมาอย่างแผ่วเบาในแมกนั้นว่างเปล่าไม่ได้มีกระสุนบรรจุอยู่เลยแม้แต่สักนัดเดียวขยับลูกเลื่อนดูในรังเพลิงก็พบว่ามันว่างเปล่าเช่นกันหัวคิ้วเขาเขามวดเข้าหากันนิดนึงอย่างพิศวงนี่แปลว่าตลอดครึ่งวันของวันนี้หล่อนเดินพางมาพร้อมกับคณะ หล่อนสะพายปืนเปล่าปราศจากกระสุนเช่นนั้นหรือก้าวลำไปเบื้องหน้าของหลอนอีก9ก้าหนึ่งจึงเห็นได้ถนัดว่าคริสนั่งในลักษณะขัดสมาธิเพชฝ่ามือขวาแบซ้อนอยู่บนฝ่ามือซ้ายและวางอยู่บนตักแสงไฟที่ก่อไว้เบื้องหน้าสาดจับใบหน้าของหล่อนแลดูเหมือนนักบุญดวงตาทั้งคู่ปิดสนิท และในทันทีนั้นทั้งทั้งที่ดวงตาทั้งคู่ยังพริ้มปิจนิดและไม่ได้ขยับกายอันแน่วนิ่งประดุดท่อนหินนั้นเลยเสียงแผ่วเบาก็ดังออกมาจากเริมฝีปากของหล่อนว่าครูจะมาเตือนให้ฉันกลับเข้าไปนอนใช่ไหมใช่เขาตอบเสียงเบานุ่มว่าแต่นี่นะคริสปืนของคุณไม่มีกระสุนบรรจุอยู่เลยสักนัดก็ฉันไม่ได้บรรจุไว้เลยมันก็ไม่ควรจะมี คุณสะพายปืนเปล่าติดตัวมาตลอดไม่เคยบรรจุกระสุนเลยตั้งแต่อยู่ในมรกตนครแล้วใช่มันหมายความว่าอย่างไงนี่ขณะนี้เรากำลังอยู่กันกลางป่านะจะกลางป่ากลางเมืองหรือที่ไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละฉันหมดภาระในการที่จะต้องใช้อาวุธแล้วไม่ว่าจะด้านใดทั้งสิ้นทุกสภาวะเอาละผมเข้าใจคุณ ว่าคุณละแล้วในเรื่องเข็นฆ่าทำลายหรือป้องกันตัวด้วยอาวุธก็เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วคุณสะพายมาทำไมให้มันหนักควรจะมอบส่งให้แก่พวกลูกหาบหรือมัดรวมเก็บไว้กับสัมภาระส่วนกลางเสียและคุณเดินมาตัวเปล่ามือเปล่าจะไม่สบายกว่าหรือฉันไม่ต้องการมอบภาระนี้ไปให้แก่ใครอดีตมันเป็นปืนของฉันฉันก็จะต้องรับภาระสะพายมันมาด้วย ถ้ามอบส่งให้พวกลูกหาบอย่างน้อยมันก็เพิ่มน้ำหนักให้แขกเขาอีกประการหนึ่งฉันไม่ต้องการที่จะให้ใครมองฉันผิดปกติผิดสังเกตไปจึงต้องให้มันอยู่กับฉันตามปกติตลอดเวลาไม่มีอาวุธใดๆติดตัวคุณอยู่ในขณะนี้เลยสักอย่างเดียวไม่แม้แต่ปืนสั้นสักกระบอกหรือมีดสักเล่มนอกจากกรไกตัดเล็บเท่านั้น และขอความกรุณาอย่าได้บอกให้ใครรู้เป็นอันขาดว่าปืนของฉันขณะนี้มันเป็นเพียงเศษโลหะท่อนหนึ่งฉันจำเป็นจะต้องถือติดมืออยู่ให้พวกเขาเห็นเท่านั้นสมมติเกิดเหตุร้ายก็ให้มันเกิดไปฉันไม่จําเป็นต้องมีอะไรไว้ต่อสู้หรือป้องกันตัวเองทั้งเส้นคุณหอานได้รับอันตรายได้นะที่มาคิดปลดอาวุธตัวเองกลางป่าลึกเช่นนี้ ถ้าได้รับอันตรายหรือแม้แต่ถึงแก่ชีวิตนั่นก็คือกรรมเก่าของฉันที่ติดตามมาทันในชาตินี้คุณเข้าถึงสัจธรรมแล้วนะนั่นเป็นสิ่งที่ฉันเพียรพยายามไขคว้ า, วาสแสวงหาอยู่ในขณะนี้แต่รู้สึกว่ายังห่างไกลอยู่มากฉันจะต้องมีความมานะพยายามอดทนยิงงน่งกว่านี้ผมขออนุมโมทนาด้วยจากใจจริง ถ้าเช่นนั้นปืนกระบอกนี้ผมขอเอาไว้นะคุณไม่ต้องเป็นพาราสพายหรือถือติดมืออยู่ให้หนักอีกแล้วกรูนาโปรดอย่าได้ทำสิ่งใดให้เป็นที่ผิดสังเกตอย่างที่ฉันได้ขอร้องไว้ฉันไม่อยากตอบคำถามอันโง่เขลาของใครโดยการที่ตัวเองทำตัวให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นคืนดุนโลหะที่มนุษย์สร้างขึ้นมาไว้เพื่อเข็นฆ่าทาลายกันดุล น, นั้นให้แก่ฉันเถิดครู ตกลงผมจะคืนให้แต่คุณก็ควรจะละจากสมาธิและกลับเข้าไปรวมกลุ่มพักผ่อนกับพวกเราได้แล้วคริสลืมตาขึ้นช้าๆประกายตาสีฟ้าคู่นั้นใสกระจ่างพร้อมกับลุกขึ้นยืนระพินส่งมือไปให้แต่หล่อนไม่จำเป็นต้องอาศัยมือที่ยื่นส่งไปให้ของเขาเพียงแต่เอื้อมมือมาคว้า M16 ไปถือไว้ตามเดิมถอนใจยาวลึก พ, พึมพำออกมา ปลอดโปร่งสบายเหลือเกินแม้จะเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆก็ตามไปคะ่ะเรากลับเข้าแคมป์ได้แล้วคืนนั้นทุกคนทั้งฝ่ายอเมริกันและฝ่ายไทยรวมแล้ว9คนนอนเรียงรายกันอยู่เป็นกลุ่มระหว่างกองไฟขนาบทั้งสองด้านเพื่ออาศัยไออุน่นโดยเฉพาะสามสาวดารินคริสและเบลเขามานอนเบียดอยู่ใกล้ชิดกันโดยมีดารินนอนอยู่ตรงกลาง เพื่อสนทนากับเพื่อนสาวอเมริกันทั้งสองก่อนที่จะพากันหลับไปยกเว้นรับผินคนเดียวที่ไม่ได้เข้ามารวมกลุ่มกับเจ้านายทั้งสองคณะเขาเดินตรวจตราดู ร, บรอบๆบริเวณอันเป็นที่พักนอนของพวกพลานพื้นเมืองและลูกหาบ26คนจนแน่ใจว่าเหมาะสมถูกต้องพอจะไว้ใจได้ต่อสถานการณ์แล้วก็เรียกบุญคำขยินและนานอินมาปรึกษาหารือในแผนเดินทางวันรุ่งขึ้น อีกครู่เดียวก็สั่งให้คนเหล่านั้นเข้านอนทุกคนนอนได้ทั้งหมดไม่ต้องมีเวรยามแต่ขอให้นอนหูวยหน่อยก็แล้วกันและถ้าใครตื่นขึ้นมาเห็นกองไฟกองใหญ่นั่นมอดก็ช่วยสุมให้มันลุกไว้เป็นไฟรุ่งเขาสั่งเป็นประโยคสุดท้ายแล้วตนเองก็เลือกหาชัยภูมิบริเวณใกล้เคียงกับพวกลูกหาบทั้งหลาย เอ็นกายลงนอนในสภาพปกติอย่างที่เคยปฏิบัติเป็นประจำของเขารู้สึกปลอดโปร่งใจที่ไม่ได้มีฝ่ายอเมริกันหรือฝ่ายของเชษฐาเรียกร้องเชิญชวนให้เข้าไปนอนรวมกลุ่มอยู่ด้วยซึ่งเข้าใจว่าดารินคงจะทำหน้าที่อธิบายให้ทุกคนทราบในสิ่งที่เขาสั่งหล่อนไว้